การบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อให้เกิดผลขึ้นมานั้นผู้บำเพ็ญจำเป็นที่จะต้องกำจัดอุปสรรคต่างๆที่ฝัง ก, การบำเพญ็ญถ้าไม่สามารถกำจัดอุปสรรคต่างๆผลก็จะไม่เกิดจากการบำเพญ็ญ อุปสรรคที่คอยขวางกั้นไม่ให้ผลเกิดขึ้นมานั้นเรียกว่ามีวรมีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่สอง ความยินดีในการเสพกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดกระพะสามความโกรธสี่ความวาง่วงเหาหานอนและห้าความฟุ้งซ่านนี่คืออุปสรรคที่จะกิดขวาง การบำเพ็ญจิตตภาวนาไม่สามารถทำให้ผู้บำเพ็ญบรรลุถึงผลคือความสงบได้ mm hmm. ผู้ที่บำเพ็ญจริงจำเป็นจะต้องคอยกำจัดอิวรเหล่านี้ mm hmm. ข้อที่หนึ่งความรังเลยสงสัย พระพุทธเจ้าก็ดีในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีในพระอริยสงสาวกกรดีจะสามารถกาจัดได้ด้วยการศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและศึกษาพระประวัติของพระอริยบุคคลทั้งหลาย พระอริยสงสาวกทั้งหลายเช่นเราศึกษาพุทธประวัติกันแล้วเราก็ศึกษาประวัติของคูบาอาจารย์ทั้งในอดีตและในปัจจุบันแล้วเราก็หมั่นฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆความรังเลยสงสัย ในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ก็จะไม่มีเราก็จะมีความมั่นใจว่าถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับเช่นเดียวกัน เมื่อเราไม่มีความสงสัยเวลาเราภาวนาเราก็จะได้มีใจจดจอ่อต่อการภาวนาไม่ปล่อยให้ความสงสัยนี้มารบกวนการบำเพ็ญของเราอันนี้ก็เป็นการกำจัดนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือให้หมันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆ อนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ต้องเข้าหาตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคําสอนที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกควรศึกษาพระไตรปิฎกเพราะเป็นเหมือนกับได้ศึกษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยแล้วจะทําให้ไม่สงสัย พอจะรู้สึกว่าเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับเราอย่างสดสดร้อนร้อนเลยถึงแม้ว่าพระวรากายของพระองค์นั้นจะได้จากพวกเราไปแล้วแต่พระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วนี้ยังเป็นอาการิโกอยู่ไม่ได้เสื่อมไม่ได้หายไปตามการตามเวลาเลย เหมือนกับได้ฟังพระธรรมจากพระโอษของพระองค์ต่อหน้าพระพักของพระองค์เลยแล้วเราก็มาศึกษาคําคสอนต่างๆของครูบาอาจารย์ภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภาพสุปฏิปโนทั้งหลายเช่นศึกษาคําสอนของลุงปู่มั่นคําสอนของอลุงปู่ขาว หลวงปู่ฟัน่นอาจารย์ชาหลวงตามหาบัวอันนี้เมื่อเราได้ฟังได้อ่านเราก็จะได้ไม่สงสัยว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์หรือไม่ท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็พยายามปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไร เราก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านผลที่ท่านได้รับมันก็จะต้องเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันเพราะหลักของเหตุผลนี้เป็นของตายตัวเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้เหตุเป็นอย่างนั้นผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราก็เจริญเหตุที่ท่านได้เจริญที่ท่านสอนให้เราเจริญกันแล้วเดี๋ยวผลมันก็ปรากฏขึ้นมาเองผลมันตามมาด้วยเหตุถ้าไม่มีเหตุมีแต่ความลังเลสงสัยไม่ยอมสร้างเหตุไม่ยอมบำเพ็ญผลก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความลังเลสงสัย บำเพ็ญเหตุไปตามที่ได้ศึกษาเดี๋ยวผลก็ปรากฏขึ้นมาเองอันนี้ก็เป็นวิธีกำจัดนิวรหรืออุปสรรคที่คอยกีดขวางการให้ผู้บำเพ็ญกิจตภาวนาได้บรรลุถึงผลที่ควรจะเกิดขึ้นข้อที่สอง ก็เรื่องการมาฉันทะคือความยินดีในการมาคุณทั้งห้าความชอบเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดตะท่านก็ให้เรามาเจริญเอินศี NC สังวนให้มาสำรวมตาหูจมูกเล่นกายด้วยการเจริญศีลสังวนก็คือให้มารักษาศีแปดกัน ศีลสิบศีลสองยี่สเจีลสามร้อยกว่าข้อนี่เป็นวิธีสารวมอินรีสารวมตาหูจมูกลื่นกายไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะถะถ้าถือศีแล้วกามฉันทะก็จะไม่สามารถดึงใจให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะได้ ศีลแปดนั้นก็ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันอันนี้ก็เป็นการเสพกามัชันทอย่างหนึง่งเสพกามมขุนห้าห้ามรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานได้เพียงถึงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารอีกเพราะจะเป็นการเสพกามมากกว่าเป็นการ ให้ยาแก่ร่างกายการรับการทานอาหารการรับประทานอาหารนี่ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยาให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขการรับประทานก็มีสองแบบรับประทานด้วยเหตุด้วยผลคือรับประทานเพื่อเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขและรับประทานด้วยความอยาก อันนี้เรียกว่ากามฉันทะก็ต้องใช้มาตรการของศีลแปดมายับยังไวให้รับประทานได้เพียงถึงเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานแล้วเพราะร่างกายได้อาหารพอเพียงที่จะอยู่ได้อย่างเป็นปกติจนถึงวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะได้ กาจัดการมัะัน ท, ะที่เกี่ยวกับการเสพอาหารรับประทานอาหารแล้วก็ข้อที่เจ็ดก็ห้ามไม่ให้ไปดูมหรสยบันเทิงการละเล่นต่างๆการแสรงสวยความงานต่างๆของร่างกายที่เป็นการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะอันนี้ก็ถ้า ก็จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ระ ง, งับกามวันทะได้แล้วก็จะทำให้มีเวลามาบำเพ็ญจิตธรวนาส่วนข้อที่8ก็ห้ามไม่ให้นอนมากจนเกินไปโดยห้ามไม่ให้นอนบนเรียงใหญ่ๆผู้หนาๆที่มันแสนจะสบาย มันสบายแล้วมันจะนอนเกินความจําเป็นของร่างกายเหมือนกับการรับประทานอาหารมันก็จะรับประทานมากเกินไปคือรับประทานด้วยความอยากนอนก็นอนด้วยความอยากตามปกติร่างกายถ้าได้พักผ่อนสักห้าชั่วโมงนี้มันก็จะเต้นขึ้นมาถ้านอนบนผูกหนาๆเพียงใหญ่หญๆนอนแล้วสบายก็จะไม่อยากจะลุกขึ้นมา อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะลุกขึ้นมาจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายลุกขึ้นมานั่งบําเพ็ญจิตตภาวนาดีกว่ามาทำใจให้สงบดีกว่า นี่คือมาตรการที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาถือกันเพื่อกําจัดการมฉันทะความอยากเสก ร, รูปเสียงกลื่นโลดผดทพชนิดต่างๆ mm hmm. พอเราถือศินแปดหรือสินสิบหรือสินสองร้อยยีิบเจ็ดหรือศินสามร้อ ย, 7, อย300กว่าแล้วเราก็จะไม่สามารถเสกการมาคุห้าได้ mm hmm. เราก็จะ มีเวลาว่างเอาเวลาว่างนี้มาบำเพ็ญจิตตภาวนามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อเจริญสติเมื่อมีสติเวลานั่งจิตก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นี่ก็คือมาตรการที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับกามฉันทะ ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิพัณพะชนิดต่างๆส่วนอุปสรรคข้อที่สก็คือความโกรธเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาใจจะร้อนใจจะไม่สบายจไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ความเมตตามาละความโกรธนั้นคือให้อภัยอาเวลาโหนตุไม่จองเวรกันใครทำอะไรทำให้เราโกรธทำให้เราไม่พอใจเราก็ให้อภัยไปเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันก็เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วจะนั่งมานั่งโกรธมานั่งจองเวรจองกรรมก็ ทำให้ผู้โกรธนั้นเดือดร้อนไปทุกไปเปล่าๆกลับไปแก้มันก็ไม่ได้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาพูดไปแล้วเขาทําไปแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ควรที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยความโกรธเพราะความเสียหายนี้มันจะลบกวนการบำเพ็ญจิตตภาวนาของเรา แล้วถ้าเราไปทําร้ายเขามันก็จะทําให้เขาโกรธเราแล้วกลับมาทําร้ายเราอีกมันก็จะทําให้เราไม่สามารถมีเวลาที่จะมาบําเพ็ญจิตตภาวนาได้เลยแต่ถ้าเขาทำร้ายให้เราโกรธแล้วเราให้อภัยเขาไปถือว่าจบกันผ่านไปแล้ว เ, เรากลับมาระงับความโกรธของเราดีกว่า เพราะถ้าเราไม่สามารถระ ง, งับความโกรธได้เราจะภาวนาไม่ได้เราต้องการภาวนาเราไม่ต้องการที่จะไปทำร้ายผู้อื่นพอข้าเขามาทำร้ายเราเพราะถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราเราก็จะกลับไปทำทำร้ายเขาอีกทำไปทำมาเดี๋ยวก็ตายกันไปข้างหนึ่ง ผู้ที่ไม่ตายก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปรับโทษประหารชีวิตก็เลยไม่ได้ภาวนานเลยความโกรธนี้จึงเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการจะบนเพ็ญจิตตภาวนาจำเป็นจะต้องรู้จักให้อภัยให้มองความจริงว่าสิ่งที่เขาพูดเขาทำมันก็ผ่านไปแล้ว ความเสียหายก็เกิดขึ้นไปแล้วแล้วเรามาสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยการที่จะมาจองร่างจองกลับจองร่างจองผลานกันทำไมยิ่งเสียหายใหญ่ยิ่งทำให้เราไม่มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่ถ้าเราให้อภัยเขาปั๊บนี่จบเลยคิดว่าใช้กรรมไปก็แล้วกันคิดว่าใช้นี่ไป เราอาจจะไปพูดไปทำอะไรไม่ดีทำให้เขาไม่พอใจเขาก็เลยต้องมาทำให้เราไม่พอใจก็เรียกว่าเป็นการชาระหนี้ไปใช้หนี้เก่าไปการให้อภัยจึงมีประโยชน์มากเพราะมันจะล้างจะลบความโกรธให้หายไปจากใจจะทำให้เรากลับมาภาวนาได้อย่างสบาย สิ่งที่เราต้องการคือการภาวนาการไปทำสงฆ์การไปมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นนั้นมันไม่ได้นำไปสู่ความสงบมันนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนแต่การไปภาวนานี่แหละจะนำไปสู่ความสงบไปสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ดังนั้นเราต้องรู้จักให้อภัยต้องใช้เหตุใช้ผลชั่งน้ำหนักดูว่า <c oughs> การให้อภัยกับการไม่ให้อภัยนั้นผลจะต่างกันอย่างไรถ้าไม่ให้อภัยจองเวรจองกรรมกันเราก็จะไม่มีเวลามาภาวนาพอเราไปจองเวรจองกรรมเขาเขาก็มาจองเวรจองกรรมเราแล้วเดี๋ยวก็ต้องถึงกับฆ่าฟันกันตายไป ทั้งสองข้างเราฆ้าเขาเนอะเราก็ถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจะไปลงโทษประหารชีวิตอีกไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้มาภาวนาแต่ถ้าเขาทาอะไรแล้วก็ให้อภัยไปไม่เอาเรื่องเอาเราขอความสงบเพียงอย่างเดียวขอให้ยุติกันอย่างเดียวอถ้าเขาไม่ยุติก็ถือว่านี่เรายังใช้ไม่หมดก็ให้เขาทําต่อไป แต่เราจะไม่ไปตอบโต้ถ้าเราหลบได้เราก็หลบหลีกได้แล้วก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราครแล้วกันเราคงทํากรรมมาหนักหนาสาหัสถึงมาถึงมาทํารอายถึงม า, งม า, งมาต้องมาคอยล่างพาสเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้เราอ่า ลบล้างหนี้เก่าที่เราได้ทำเอาไว้พอไม่มีหนี้แล้วก็จะไม่มีใครมาสร้างความโกรธให้กับเราเราก็จะได้มีเวลามาภาวนามาเจริญจิตตภาวนาทำใจให้สงบตามที่เราปรารถนากันเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อว่าการบาเพ็ญจิตตภาวนา เป็นวิธีที่จะนำพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกขทั้งหลายหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราก็ยังจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับกองทุกขแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นการให้อภัยจึงเป็นการ เสียเสียสละเล็กน้อยแต่ได้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่เสียยอมเสียยอมแพ้แต่เราจะได้ประโยชน์เราจะได้มีเวลามาบําเพ็ญจิตตภาวนาเพราะเราจะได้ระ ง, งับความโกรธเราก็จะได้ไม่มีอุปสรรคในการบําเพ็ญจิตตภาวนาต่อไป อันนี้ก็เป็นการกําจัดนิวรณข้อที่สามคือความโกรธต้องระ ง, งับด้วยความให้อภัยซึ่งเป็นบทเป็นคุณสมบัติของความมีของผู้มีความเมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงไม่มีเวณมีกรรมกันเถิดขอให้เราจงอย่ามีเวณมีกรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย อันนี้ก็จะรั ง, งับความโกรธได้ข้อที่สี่ก็คือความง่วงเหงาหานอนอันนี้ก็ต้องใช้มาตรการสองอย่างถ้ามีที่น่ากลัวไปบำเพ็ญก็ไปหาที่น่ากลัวไปบำเพ็ญที่ไหนที่มันน่ากลัวนี่จะทําให้เราไม่ง่วงนอน เราจะตื่นตลอดเวลาเช่นไปนั่งอยู่ในป่าช้าหรือไปนั่งอยู่ในป่าเขาไม่มีอะไรปกปิดป้องกัน ร, ร่างกายนั่งอยู่ตามโคนม้นั่งอยู่ตามเนื้อผ้าบางรูปบางองค์ก็นั่งอยู่ที่ปากเหวเลยถ้าง่วงก็สับประงกก็หัวทิ่มตกเหวไปเลยถ้าอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่า จะไม่ง่วงหรือถ้าไปไม่ได้ก็ต้องใช้มาตรการการอดอาหารอดอาหารนี่ก็จะทําทให้เกิดความรู้สึกหิวหิวแล้วมันก็ไม่ง่วงนอนไม่หลับอันนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าอย่างไหนจะเหมาะกับตัวเราถ้าเราไปหาที่น่ากลัวบาเพ็ญไม่ได้ ก็เอาการอดอาหารถือศีลแปดแล้วมันยังง่วงนอนอยู่ก็ต้องอดอาหารไปเลยอาจจะเอาแต่เดิมน้าปานะไม่เดิมไม่รับประทานอาหารเดิมน้ำปานะพอที่จะให้มีกําลังบ้างไม่ให้ร่างกายอิดโรยมากจนเกินไปหรือวันหนึ่งก็อาจจะเดื่มนมสักถ้วยหนึ่ง แล้วตอนบ่ายก็ดื่มน้ําตานะ่มันก็จะทำให้ท้องเบาตัวเบาจะทําให้ไม่ง่วงนอนเราจะสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างสบายไม่อึดอัดไม่เหมือนกับแบกภูเขาเวลาที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วนเวลาเดินจะรู้สึกมันหนักเหมือนแบกภูเขาเวลานั่งมันก็จะสัสบประโมก เื่องโทษของการกินอาหารมากเกินไปมันก็จะเป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ทำให้ไม่สามารถานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ผู้บาเพ็ญก็จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมากําจัดความง่วงเหงาหานอนให้หายไปไปอยู่ที่เปรี่ยวที่น่ากลัวหรือ อ, อดอาหารกัน เวลาอดอาหารนี้มันจะทำให้เราหิวแล้วมันจะบังคับให้เราภาวนาเพราะความหิวมันมีสองส่วนด้วยกันความหิวที่เกิดจากความต้องการอาหารของร่างกายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ความหิวของทางร่างกายนี้จะมีน้ำหนักน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความหิวที่เกิดจากความอยากรับประทานอาหารของใจที่เกิดจาก ความคิดปรุงแต่งพอเวลาไม่ได้รับประทานอาหารนี่ความคิดปรุงแต่งมันจะคิดไปในเรื่องของอาหารตลอดเวลาแล้วก็เลยจาเป็นที่จะต้องมาระ ง, งับมันด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดไปถึงเรื่องอาหารแล้วพอเรามานั่งสมาธิ ถ้าเรามีพุทธโธกำกับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอาหารได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็จะสงบสงบแล้วความหิวส่วนนี้ก็จะหายไปหมดความหิวที่เกิดจากความคิดตรงแต่งของใจนี่จะหายไปหมดแล้วจะทําให้รู้สึกว่าความหิวของร่างกายนี้ไม่รุนแรงเลยใจที่สงบแล้วนี้จะอยู่กับความหิวของร่างกายได้อย่างสบาย ดูพระพุทธเจ้าทรงอดพระกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันทำไมพระ อ, องค์ทรงอดได้ก็เพราะพระ อ, องค์มีสมาธิมีฌานสามารถเข้าสมาธิได้พอใจสงบแล้วความหิวทางใจก็หายไปแต่เหลือแต่ความหิวทางร่างกายที่เป็นส่วนย่อย การอดอาหารมันก็จะบังคับให้ผู้บําเพ็ญจะต้องจะดอนสติจะต้องเข้าสมาธิอยู่เรื่อยเพราะถ้าไม่เข้าปล่อยให้จิตปรุงแต่งแล้วมันจะทรมานใจมากพอคิดถึงอาหารแล้วนี่มันหิวมากเลยแต่พอเราภาวนาทําใจให้สงบได้มันก็จะทําให้ความหิวความทรมานใจนี่หายไปหมดเลย อันนี้จะทำให้เราเก้าวหน้าในการบำเพ็ญจิตตาภาวนาเวลาที่เราอดอาหารเพราะเราจะอยู่เฉยๆอยู่แบบสบายสบายไม่ได้ไม่เหมือนกับเวลาที่เรารับประทานรับประทานอาหารตามปกติรับประทานเสร็จแล้วร่างกายก็อิ่มสบายใจก็เลยอิ่มสบายไปด้วยก็เลยไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ไปบาเพ็ญจิตตาภาวนา เพราะใจก็สบายจากความอิ่มของร่างกายแล้วก็ขี้เกียจทำแล้วก็ดีไม่ดีก็จะนอนกันเสื้อส่วนใหญ่แต่ถ้าเวลาที่อดอาหารนี่มันมันหิวมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ภาวนาไม่ระ ง, งับการปรุงแต่งมันก็จะทรมานและอาจจะทนไม่ได้อาจจะต้องไปกินอาหาร ทัที่ตั้งไว้ก็ได้อันนี้ก็คืออุบายวิธีที่จะกําจัดนิวรณและในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการบาเพ็ญจิตตภาวนาผู้ที่ได้ประโยชน์จากการอดอาหารนี้จะใช้การอดอาหารนี้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการบาเพ็ญเพียรไปจนถึงทำขั้นสุดท้ายเลย เพราะว่าถ้าลองได้กินแล้วมันจะต่างกับเวลาที่ไม่ได้กินมากเวลาได้กินแล้วนี่มันจะประมาานอนใจมันจะไม่ขวนขวายเหมือนกับตอนที่เวลาอดอาหารผู้ที่ได้ได้ประโยชน์จากการอดอาหารนี้มักจะใช้การอดอาหารเป็นเครื่องมือกระตุ้นความเพียงไปต่อไปตลอดจนถึงขั้นสุดท้ายของการบาเพ็ญเลย นี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาของความง่วงเหงาหานอนต้องแก้ด้วยการอดอาหารผองอาหารหรือด้วยการไปอยู่ในที่นา่าไปบำเพ็ญในที่น่ากลัวแล้วข้อสุดท้ายที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็คือความคิดพ้งซานใจนี้โดยปกติมันจะไม่สงบ มันจะคิดอยู่เรื่อยๆ อ, <c oughs> อันนี้เป็นธรรมชาติของใจเป็นเหมือนก้อนหินที่กลิ้งลงจากที่สูงกลิ้งลงจากบนเขามันจะกลิ้งลงไปเรื่อยๆมันจะไม่หยุดของมันเองใจของฟุตุชนใจของผู้ที่ไม่ได้บาเพ็ญจิตตภาวนาก็จะเป็นอย่างนั้นจะชอบคิดไปเรื่อยๆ คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อคิดเรื่องนั้นต่อแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องโน้นคิดไปเรื่อยๆคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆบางทีก็เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธอารมณ์ฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะไม่รู้จักวิธีควบคุมความคิดปล่อยให้ความคิดมันไหลไปตามกระแสของอารมณ์ที่มีอยู่ในใจอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆ ผู้บำเพญจึงต้องใช้การเจริญสติเป็นวิธีแก้ปัญหาเรื่องของจิตฟุ้งซ่านต้องควบคุมจิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลื่มตาขึ้นมานี่ก็ต้องมีสติกำกับใจจะใช้คําบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเลยระหว่างที่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปเตรียมตัว อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเพื่อไปทำภารกิจต่างๆก็ตอนนั้นอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดอะไรครัเวลาที่ทำกิจกรรมประจำวันนี้มันเป็นของที่ไม่ต้องใช้ความคิดกันะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำหวีหวผมแต่งเนื้อแต่งตัวการกระทำเหล่านี้ เราก็ไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นมักจะไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ทำกิจกรรมเหล่านี้กันให้มาอยู่กับคาบริกรรมพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องตามอารมณ์ของมันถ้าจะคิดก็คิดด้วยสติบังคับให้มันคิดเป็นเรื่องๆไปเช่นวันนี้เป็นวันอะไรจะต้องไปทำงานที่ไหนมีนัดกับใคร ก็คิดไปได้คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยสติไม่ได้คิดแบบเพ้อเจ้อคิดไปตามอารมณ์ต่างๆคิดแบบนั้นเราต้องกำจัดเรื่องของความคิดที่จำเป็นคิดได้แต่มันไม่มากพอคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดคิดแล้วเราก็กลับมาพุทโธต่อหรือถ้ามันไม่คิดอะไรเราก็จดจอดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป มีสติกับการเคลื่อนไหวกับการทำงานต่างๆของร่างกายการเคลื่อนไหวการทำงานก็จะไม่มีการผิดพลาดถ้ามีสติคอยกำกับดูแลการกระทำต่างๆแล้วใจก็ไม่ลอยไปตามความคิดต่างๆเวลาว่าเวลาที่จะนั่งสมาธิใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาถ้าให้อยู่กับคำบริกรรมก็จะอยู่กับคำบริกรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าให้อยู่กับดมหายใจเข้าออกก็จะดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเ น, นื่องถ้ามีการเฝ้าดูหรือมีบารกรรมอย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวไม่นานจิต ก, ก็จะตกนลุมตกบอ่อเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเกิดจากการมีสติคอยระงับความคิดฟุ้งซ่านต่างๆ อันนี้คือวิธีแก้วความฟุ้งซ่านอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ให้ไปคุกคีกันไม่ให้ไปคุยกันระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันผู้ปฏิบัติควรจะแยกกันอยู่ตามลาพังเพื่อจะได้ไม่มาคุยกันคุยแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านไม่ได้ปฏิบัติท่านถึงสอนไม่ให้คุกคีกันให้แยกกันอยู่กันตามลาพังอยู่ในที่ ของตนเพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้ามีความจาเป็นจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ให้คุยกันต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนไปมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำกันไปเช่นมาทำงานร่วมกันมาเตรียมอาหารหรือมาล้างถ้วยล้างชามมาทำความสะอาดสถานที่เราก็ทำกันไป ไม่คุยกันทำเสร็จแล้วก็แยกกันไปเราไม่ได้มาสังคมกันความสังคมนี่จะทำให้จิตเราฟุ้งซ่านจะเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญจิตตภาวนาไม่ได้เป็นการเอือ้อไม่ได้เป็นการส่งเสริมการบาเพ็ญจิตตภาวนาแต่การไม่คุกคีการการไม่สังคมกันนี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะเอื้อต่อการบาเพ็ญจิตตภาวนา จะทำให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านบางทีคุยกันแล้วก็อาจจะทะเลาะกันก็ได้มีความเห็นไม่ตรงกันก็ทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ต่อการบาเพ็ญจิตภาวานาเลยสู่การไม่คุกคีกันดีกว่าไม่สังคมกันดีกว่าไม่ได้โกรธกันไม่ได้เกลียดกันแต่ไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะมาสังคมกัน ชีวิตของนักบําเพ็ญจิตตภาวนานี้ต้องถือว่าเป็นชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายต้องต้องอยู่คนเดียวให้ได้ต้องรักการอยู่คนเดียวถ้ายังรักการอยู่กับร่วมกันอยู่นี้จะไม่สามารถทําให้เจริญก้าวหน้าในการบําเพ็ญจิตตภาวนาได้ผู้ที่ต้องการเจริญก้าวหน้านี้ต้องรักอยู่คนเดียวแต่ไม่โกรธไม่เกลียดใคร อยู่ด้วยความด้วยเหตุด้วยผลอยู่คนเดียวด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเกลียดคนนั้นเบื่อคนนี้เพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจาเป็นต้องรักการอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันร่วมกันเช่นอยู่ในวัดแต่ก็อยู่มันอยู่คนเดียวเพราะจะไม่ไป สังคมกันจะไม่ไปสนทนาปลาสัยกันจะมาทํำปิดร่วมกันเช่นเป็นพระนี่ก็จะมาทํำปิดตอนเช้ามืดจะมาช่วยกันกวาหถูสาราเตรียมจัดที่หกชั้นต่างคนก็ต่างทําไปไม่มีใครพูดทําด้วยสติทุกอย่างเงียบหมดการวางข้าววางของวางถ้วยวางแก้ววางจานนี่จะไม่มีเสียงเพราะนี้เป็นการ บำเพ็ญของผู้มีสติจะมีความระมัดระวังทุกย่างก้าวทุกทุกขณะในการทํางานจะไม่มีการเสียงไม่มีการคุยกันพอถึงเวลาก็เบนทบาทเดินไปเบนทบาทก็ไม่คุยกันขณะรับบาตก็ก็ไม่คุยกันเดินกลับวัดก็ไม่คุยกันว่าถึงศาลาก็ไม่คุยกันเตรียมจัดอาหาร ใส่บาเตรียมรับข้าวรับของจากศรัทธาญาติโยมพอพร้มก็อนุโมทนาเวลาฉันก็ไม่คุยกันต่างคนก็ต่างฉันกันมีสติอยู่กับการขบฉันไปฉันเสร็จก็ลุกขึ้นไปต่างคนก็ต่างไปร้างบาตรของตนเองร้างบาตรเช็นบาตรเสร็จก็รองมาทำความสะอาดเกี็บวาตรศาลาบาดถูศาลา พอเสร็จเรียบร้อยต่างคนก็ต่างแยกกันไปกลับไปที่พักของตนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะจะไม่มาสนทนาถามกันว่าคุณเป็นใครมาจากไหนมีประวัติว่าอย่างไรเสียเวลาเปล่าความรู้เหล่านี้มันไม่ได้เป็นความรู้ที่จะนำไปสู่ความสงบ ก, การปีกวิเวกการการไม่คุก ค, คีกันการมีสติคอยควบคุมความคิดปงแต่ง ระงับความฟุ้งซ่านต่างๆนี่แหละจะเป็นวิธีที่จะนําไปสู่ความสงบนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่บําเพ็ญจิตภาวนาต้องเป็นผู้ที่รักความปรตไม่เวกรักความสงบแล้วก็รักความเพียรมีความเพียรพยานตลอดเวลา รักฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาหม่อนฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆถ้าวันไหนครูบาอาจารย์ไม่ได้เทศก็เปิดเทศฟังเอาหรืออ่านหนังสือธรรมะไปถ้าได้อ่านได้ฟังอยู่ทุกวันเวลาชั่วโมงนี้มันจะมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้จิตใจมีพลังทำให้จิตใจมีปัญญาทำให้รู้ว่าจะต้องบำเพ็ญอะไร ทำให้รู้ว่าจะต้องกาจัดอะไรอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นประโยชน์แล้วจะทําให้การบำเพ็ญนี้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่ผู้บำเพ็ญจะต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาที่คอยเป็นอุปสรรคขวางกัน้นการบำเพ็ญภาวนา นะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแต่อุปสรรคอย่างเดียวยังมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกในการบำเพ็ญแต่ละขั้นมันก็มักจะมีปัญหามีอะไรต่างๆขั้นสมาธิก็มีปัญหาของมันขั้นปัญญามันก็ยังมีปัญหาของมันการปฏิบัติการบำเพญ็ญจึงจำเป็นจะต้องอยู่มีผู้คอยให้คำสั่งคำสอนมีกูบาอาจารย์ ที่มีประสบะการณ์มาแล้วจะได้คอยทักคอยท้วงคอยเตือนว่าเวลาบําเพ็ญมาถึงจุดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมามาถึงขั้นสมาธิแล้วเดี๋ยวก็จะมาติดสมาธิก่อนจะได้สมาธิก็ไปติดเรื่องการมาฉันทะรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆครูบาอาจารย์จึงต้องคอยมาเป็นกรรมการคอยมาเฝ้าดูว่าผู้บําเพ็ญ แอบมาหารูกเสียงกิ่นรกันหรือเปล่าแอบมานั่งคุยกันสนทนากันแล้วก็มานั่งดื่มน้ำชากาแฟกันหรือเปล่าคุณบาอาจารย์ท่านจะคอยเดินตรวจวัดอยู่เรื่อยๆพอเห็นที่ไหนตั้งกลุ่มแล้วก็ให้ป้ายแดงป้ายเหลืองเลยถ้าไม่เชื่อถ้าดื้อก็ให้ออกจากวัดไปเลยเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่เพื่อบำเพ็ญอยู่เพื่อมาเสพกามกัน อยู่มาเพื่อสร้างความพุ่งสร้างให้ต่อกันละกันท่านผ่านมาแล้วท่านรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นโทษแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านมานี้จะไม่รู้เพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ติดมาเป็นนิสัยติดตัวมาตั้งแต่ตอนที่เป็นฆราวาสชีวิตของคราวาสนี่ชอบสังคมกันชอบเสพกามกันชอบพุ่งสร้างกันพอมาอยู่มาบวชเป็นพระ ถึงแม้จะบวชแล้วแต่นิสัยนี้มันไม่ได้บวช ด, ด้วยมันไม่ได้หายไปจากการบวชมันจะหายไปก็จากการที่เราต้องคอยกาจัดมันเวลามันอยากจะสังคมกันเราก็ต้องห้ามไม่ให้ไปเวลาอยากจะเสกรูปเสียงกลิตต์ต่างๆก็ต้องห้ามสมัยนี้มือถือเนี่ยเวลามาบาเพ็ญควรจะปิดมันจะดีกว่าถ้าเปิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็พาเราไปดูรูปไปฟังเสียง ไปอะไรไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงเกิยรตลดโดยไม่รู้สตัวเลยไม่มีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบหมอแต่มาเปิดดูเครื่องดูว่ามีใครส่งข่าวมาดูว่าใครมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอวดมาเล่ามาให้อะไรดูให้ะอะไรฟังกันถ้าอยากจะบําเพ็ญจริงๆผู้ปฏิบตัติต้องรู้ว่าควรจะทำอย่างไรถ้าอยากจะ พาวนาะแล้วให้เกิดผลขึ้นมานี้ต้องคอยกำจัดอุปสรรคต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้วัดเขาตั้งกฎหรอกถ้าเราเป็นผู้บําเพ็ญจริ ง, รงๆนี่เราต้องรู้เลยว่ามันไม่มีความมันไม่มีประโยชน์ต่อการบําเพ็ญเลยมันมีแต่โทษมันมีแต่คอยจะฉุดลากจิตใจของเราให้ออกไปข้างนอกออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะออกไปหาเรื่องราวต่างๆ แล้วก็ทำให้เกิดความโกรธบ้างเกิดความฟุ้งซ่านบ้างเกิดความอยากที่จะเสพเลือเสียงกินรดบ้างมันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้มาอยู่ว่าตั้งใจจะอยู่สักห้าวันอยู่ได้วันเดียวดีไม่ดีก็ข อ, อกลับนะอยู่ต่อไปทนไม่ไหวเพราะไม่รู้จักกำจัดอุปสรรคเรื่รองสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อาการบาเพ็ญ น, นั่นเอง กลไปส่งเสริมมันสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือที่วัดป่ามั่นตาวก็เลยยังไม่มีกฏห้ามเรื่องโทรศัพท์มือถือสมัยนั้นก็มีแต่ทีวีเทวทัศน์เนี่ยหลวงตาท่านเรียกทีวีว่าเทวทัศน์โทรทัศน์เทวทัศน์เนี่ยห้ามห้ามโทรศัพท์ก็ไม่ให้มีเข้าวัดโทรศัพท์สายก็ไม่ให้มีไฟฟ้าก็ไม่ให้มีไฟฟ้านี่ท่านก็ว่าเป็นตัวร้ายกาศ พอมีไคฟ้าแล้วเดี๋ยวไอ้ทีวีวิทยุอะไรต่างๆมันก็จะตามเข้ามาแสงสว่างก็จะตามเข้ามาตอนคืนแทนที่จะนั่งภาวนาก็เปิดไฟดูทีวีกันท่านก็เลยต้องห้ามของเหล่านี้ถ้าท่านอยู่ในวันนี้ท่านก็ต้องห้ามมือถือแล้วใครไปวัดก็ให้เอามือถือเก็บไว้ที่บ้านถ้าถ้าไม่ถ้าไม่พร้อมที่จะตัดมือถือก็อย่าไปอยู่วัด เราไปเพื่อเราจะไปตัดทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปกังวลกับเรื่องมือถือเรื่องติดต่อกับคนนั้นคนนี้ทำไมเรื่องเหล่านี้แหละมันเป็นนิวรมันเป็นอุปสรรคขวางกาั้นการภาวนาของเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวถ้าเราอยากจะไปภาวนาเพื่อทำจิตให้สงบเราต้องตัดสิ่งภายนอกออกไปให้หมดเนี่ยตอนนี้จิตของเรามันอยู่ภายนอกอยู่ที่รูปเสียงกิ่นรสผลธธึกะอยู่ที่ราบยศสรรเสริญ อยู่ที่คนนั้นอยู่ที่คนนี้อยู่ที่เรื่องนั้นอยู่ที่เรื่องนี้มันจึงไม่สงบกันเราจึงต้องมาปีกเว่เวกันมาอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆแต่มาแล้วก็ยังไม่ไหวเ อ, เอาตัวเชื่อมต่อมาด้วยอไอตัวเอาโทรศัพท์มือถือมาด้วยมันก็ไม่เลยเหมือนมาพร้อมเดี๋ยวมันเปิดปั๊บมันก็ติดต่อกันถึงกันตลอดเวลาถ้าอยากจะเข้าข้างในนี้ต้องตัด ตัวที่จะเดึงให้ใจแล้วออกไปข้างนอกถือศีลแปนี่ก็เป็นการตัดแล้วตัดไม่เราออกไปหาลูกเสียงจิตลดผลสภาโทรศัพท์มือถือนี้มันก็ต้องต้องเป็นศีลเก้าแล้วนะต่อไปทูที่จะมาบําเพ็ญจิตตาภาวนานต้องถือศีลเก้าแล้วศีลแปดไม่พอศีลเก้าต้องเก็บมือถือไว้ที่บ้านอย่าเอามา ใครจะเป็นใครจะตายช่างมันเถอะมันก็เป็นต า, ตายอยู่ดีแล้วเราก็แปห้ามเขาไม่ได้สมมติดามาภาวันตรง น, นี้แล้วคนที่บ้านตายไปเราก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้อยู่ดีเขาก็ตายไปก็ปล่อยเขาตายไปเมื่อเราถึงเวลากลับไปเราก็ไปงานศพของเขาถ้าจาเป็นจริงๆเดี๋ยวคนเขาเขาส่งคนมาหาเราเองอ ม, ามาเรียกตัวเราเองอเราไม่ต้องไปกังวลหรอกถ้าเราวิเศษจริงๆแล้วเขาเดี๋ยวเขามาหาเราเอง เราไม่ต้องไปกังวลปล่อยเข้าไปปล่อยเขาอยู่ปล่อยเขาตายไปถ้าเราเป็นมัวกังวลกับเรื่องของเขาจิตเราก็เข้าข้างในไม่ได้จิตก็เข้าสู่ความสงบไม่ได้ภาวนาไปกี่ปีก็มันก็เหมือนเดิมจิตเข้าข้างในไม่ได้ถ้าเราไม่ตัดข้างนอกจิตจะเข้าข้างในได้ต้องตัดข้างนอกตัดรูปเสียงกลิ่นลดโหดทพัพระตัดลาบยศสรรเสริญ ตัดคนนั้นตัดคนนี้ตัดสิ่งนั้นตัดสิ่งนี้อย่าไปคิดถึงเขาเลยอย่าไปรับรู้เรื่องของเขาเลยให้เราอยู่ในปัจจุบันอยู่กับป่ากับเขาอยู่กับเสียงยิ่งจักจัดนนี่อยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นคอยควบคุมใจให้สัจตวรรุให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขัตตาลมให้ได้แล้วใจเราจะมีความสุข นี่คือขั้นแรกของการบำเพ็ญก็คือสมถะภาวนาบำเพ็ญเพื่อให้ใจสงบขั้นตอนนี้เราก็ต้องบาเพ็ญให้มันชานาญไม่ใช่สงบครั้งเดียวแล้วเราคิดว่าเราเก่งแล้วยังไม่ใช่เราต้องบาเพ็ญต่อไปเรื่อยๆจนเรามีความชำนาญที่เราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการโดยที่ไม่มีนิวรณ์มาคอยขวางกั้น ต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้แล้วก็อยู่ได้นานสงบได้นานถึงจะเรียกว่ามีสมาธิได้สมาธิถ้าเรามีสมาธิได้สมาธิแล้วถ้าเราไม่ออกไปทางปัญญาในขั้นต่อไปเวลาที่ออกจากสมาธินี้ก็เทว่าเราติดสมาธิแล้วพอเราแต่ตอนต้นนี้ถ้าเรายังไม่ชำนาญเราอย่าเพิ่งออกไปทางปัญญา เหมือนกับเราขับรถใหม่ๆเราก็หัดขับรถในที่ปลอดภัยในที่ไม่ค่อยมีรถบาวิ่งไปวิ่งมาเราก็หัดขับจนกราทงเรามีความมั่นใจมีความชำนาญแล้วเราถึงจะขับออกไปตามท้องถนนใหญ่ต่อไปได้ตอนตอนนี้ขับให้มันชำนาญก่อนเปลี่ยนเกียร์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยุดขับหน้าถอยหลังอะไรให้มันชนานาญก่อนเวลามีอุบัติเหตุ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นฉุกเฉินก็สามารถาหยุดลดได้อย่างทันท่วงทีกลับให้มันชำนานก่อนจนเรามีความมั่นใจแล้วเราค่อยออกไปตามท้องถนนการฝึกสมาธิก็เหมือนการขั้นต้นถ้ายังล้มลุมลกคลุกคลานอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างนียังไม่ต้องกังวลเรื่องการไปเจริญปัญญามาเจริญสติให้สติมีกกำลังแก่กล้า ที่สามารถคอยควบคุมรีวอ์ต่างๆให้ได้ก่อนสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ทุกครั้งที่เราต้องการก่อนพอเรามีความชำนาแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่เราเข้าได้แล้วทีนี้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาจเจริญปัญญากันการจเจริญปัญญาอย่าไปจเจริญในขณะที่จิตสงบ เพราะเวลาที่จิตสงบไม่ใช่เป็นเวลาเจริญปัญญาเป็นเวลาพักจิตเป็นเวลาสร้างกำลังให้กับจิตสร้างอุเบกขาให้กับจิตเพราะการที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อดับความทุกข์ละกิเลสตัณหาได้นี้เราจำเป็นจะต้องมีกำลังของจิตคือต้องมีอุเบกขาคือฝผลนความอยากได้ฝผลนความโลภความโกรธได้ ถ้าไม่มีอุเบกขาหรือมีน้อยนีเดี๋ยวจะสู้ความอยากไม่ได้สู้ความโลภสู้ความโกรธสู้ความหนงไม่ได้เวลาที่ปัญญาชี้บอกว่านี่คือความโลภต้องหยุดนี่คือความโกรธต้องหยุดนี่คือความอยากต้องหยุดแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาพอก็จะหยุดไม่ได้เังนั้นการฝึกสมาธินี่จึงเป็นเรื่องสำคัญฝึกให้ชำนานฝึกให้มีกาลังมากมา เวลาจิตสงบอย่าไปทำอะไรปล่อยให้มันสงบปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆจนกว่ามันจะถอนออกมาจนกว่ามันจะเริ่มคิดรูงแต่งถึงตอนนั้นแ่ะถึงเวลาที่เราจะเอาความคิดรุงแต่งนี้มาคิดในทางปัญญาพิจารณาราบยศสละเสริญพิจารณาลูกเสียงกลิ่นลดพิจารณาบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมด เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาดีกว่าไปยุ่งกับเขาแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์ไปยุ่งกับราบยศสารเสริญไปยุ่งกับรูปเสียงกิดนัดแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์เพราะเขาจะต้องเสื่อมไปหมดไปหรือเปลี่ยนไปแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับราบยศสรเสริญอย่าไปยุ่งกับความสุขทางตาหูจมูกเล้นกาย พอเราไม่ยุ่งสิ่งเหล่านี้นเราก็ไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้เราก็มาพิจารณาเรื่องที่ใกล้ตัวเราเข้ามาก็คือร่างกายของเราพิจารณาร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอนัตตามันเป็นของดินน้ำลมไฟเราก็ไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้มันถึงเวลามันก็ต้องแก่ถึงเวลามันก็ต้องเจ็บถึงเวลามันก็ต้องตาย ถ้าเราอยากให้มันไม่แก่เจ็บตายเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเราเห็นได้ปัญญาว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็จะจะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถึงแม้ปัญญาจะบอกว่าความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ทําให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาเต็มที่แล้วนี้พอบอกให้หยุดปัด๊บมันจะหยุดได้เลยบอกให้ปล่อย ปล่อยความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะปล่อยมันก็จะปล่อยให้ e ให่างกายแก่ไปไม่เดือดร้อนกับความแก่ปล่อยให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยปล่อยให้มันตายไปไม่เดือดร้อนกับความตายนี่แหละถึงเรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุนปัญญาที่สามารถละปัญหาดับความทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ก็ต้องเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนคือมีอัปปนาสมาธิปัญญาก็จะเป็นภาวนาไม่ยักปัญญาไปปัญญาก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเห็นว่าร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามสกรปรกน่าเกลียดน่ากลัวเวลาไม่หายใจแล้วต่อให้เป็นดาราภาพยนตร์นายแบบนางแบบก็ไม่มีใครอยากที่จะ ขออยู่ด้วยแล้วมอบให้กับสัพ ป, ปะเหรอฝากให้เป็นของฝันให้กับสัพ ป, ปะเหรอไปทันที yeah. เพราะตอนนั้นเริ่มเห็นว่าเป็นอสุภะแล้วแต่ตอนที่ยังมีลมหายใจนี้กลับมองไม่เห็นว่าเป็นอสุภะกันแย่งกันฆ่ากันตายขึ้นค้องสารกันเพื่อแย่งร่างกายที่เป็นอสุภะนี้เพราะยังมีลมหายใจอยู่พอไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีใครแย่งกันมีแต่จะยกให้สัพ ป, ปะเหรอกันไป นี่ก็คือเรื่องของปัญญาถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นอสุภะนี่เราก็จะไม่ไปแย่งร่างกายกับไขรจะยกให้สับปเปล่าไปจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเวยแต่อย่างใดเพราะใจที่ไม่มีความอยากที่จะเสพการนี่มันจะสงบมันจะเป็นอุเบกขามันจะสัตว์แต่ว่ารู้ มันจะเป็นนัตถิสันติบาลังสุขขังมันจะมีเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง น, นี่คือประโยชน์ที่เกิดจากการที่มีสมาธิแล้วค่อยมาเจริญปัญญาจะทำให้เราสามารถกาจัดการมตัตหาภาวะตัญหาวิภวะตันหาที่เกี่ยวกับร่างกายได้แล้วพอเราผ่านทางร่างกายไปแล้วเราก็เข้าไปเกี่ยวไปดูกับปัญหาที่ยังมีอยู่ในจิตต่อไป จิตก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะยังมีของล่อจิตล่อใจยังมีความสุขในจิตที่จิตยังติดอยู่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเป็นความสุขที่เจริญแล้วก็เสื่อมได้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยอย่าให้ไปอยากกับความสุขต่างๆความสงบที่มีในจิตไม่ว่าจะเป็นความสงบจากรูปประจานหรืออรูปประจานก็ตามก็ต้องปล่อย แล้วจิตจะมีความสุขมากกว่าเพราะจะมีความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากที่เป็นความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะพาจิตปลดความทุกข์ต่างๆปลดความหลงที่ไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เพื่อมาให้ความสุขกับจิตแต่พิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมด ตก็จะปล่อยปล่อยแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรจะไม่อยากกับอะไรแล้วก็จะได้ความบริสุทธิ์ที่เป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดต่อไปก็คือความสุขของพระนิพพานที่เกิดจากการชาระความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยอำนาจของสติและสมาธิปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทร เป็นอ้ริยจังทุกขังอนัตตาพอเห็นแล้วก็จะตัดความอยากทั้งหมดได้ตัดความโลภความโกรธความหลงได้เมื่อไม่มีความอยากความโลภโกรธหลงใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนี่แหละเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอันนี้ก็คือความสุขของพระพุทธเจ้าซึ่ง ของพระอาารลันตสาวกที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขครังนี้เองเพราะว่าท่านเสดนิบานังปรมังศุลย์อย่างท่านเสพความว่างท่านไม่ได้เสพลูกเสียงกิริยลดท่านไม่ได้เสดราบยศสรรเสริญท่านไม่ได้เสพร่างกายท่านไม่ได้เสพความสงบของฌานท่านเสดความว่างท่านไม่มีอะไรให้ต้องเสดความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริง ความไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆก็จะทำให้จิตไม่เสพอะไรเสพกับความว่างเพียง อ, อย่างเดียวจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดไปเพราะของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็มีดับถ้าไปเสพแล้วก็จะต้องทุกเวลาที่มันดับไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาศึกษาวิธีการ บำเพ็ญจิตตภาวนากรรจัดนิวรณ์ทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นของการบำเพญ็ญแล้วก็ศึกษาวิธีที่จ ะ, จะเจริญต่อไปหลังจากที่จิตสงบแล้วจเจริญขั้นปัญญาจเจริญวิธีกรรจัดต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายคือการะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจพอหมดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลือต่อไป ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายตามมาอีกต่อไปอก็ขอให้ท่านจงนำงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติแล้วผลที่ท่านจะได้รับก็จะเป็นผลอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนเพราะผลนี้เกิดจากเหตุคือการปฏิบัติ ไม่ได้อยู่ที่การเวลาไม่ได้อยู่ที่บุคคลว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนอเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างประเทศจิตของคนทุกคนเหมือนกันหมดจิตที่จะทำจิตที่จะหลุดพ้นได้ก็อยู่ที่เหตุที่เราจะต้องบําเพ็ญคือศีนสมาธิปัญญ า, าถ้ามีศีนสมาธิปัญญา มักผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชมแล้วก็จะของดตอบปัญหาใครอยากจะถามก็มาที่ศาลานี้มีไมโครโฟนให้พูดถามได้ถ้ายังไม่มีก็จะให้ผู้ที่อยู่ทางวันทางบ้านส่งคำถามเข้ามาได้ถามก่อนคำถามคำถามฝากถามนะครับข้อที่หนึ่ง จิตกับใจคืออย่างเดียวกันหรือไม่คะถ้าอยู่คนละที่จิตอยู่ในโลกทิพย์แล้วใจอยู่ที่ไหนเป็นตัวเดียวกันน่ยจิตกับใจเพียงแต่ว่ามีสองหน้าที่ตัวหน้าที่หนึ่งก็คือรู้ เ, เป็นตัวรู้หน้าที่หนึ่งก็ทําเป็นตัวคิดเป็นจิตกับใจนเราใจเรียกว่าเป็นตัวรู้จิตเป็นตัวคิดเวลาเราคิดนี่เราเรียกว่าจิต เวลาลู่นี่เร็วกว่าใจแต่มันก็เป็นตัวเดียวกันเหมือนทำสองหน้าที่เหมือนเรามีแขนสองแขนนี่แขนซ้ายกับแขนขวาก็อยู่ที่เดียวกันมันเป็นอยู่ที่ร่างกายแขนซ้ายกับแขนขวาก็ออกมาจากทางร่างกายจิตกระจมันก็เป็นตัวเดียวกันอยู่ในโลกทิศในที่เดียวกันแต่มันมีทำหน้าที่สองหน้าที่ตัวหนึ่งเป็นตัวรับรู้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสั่งตัวคิด ตัวคิดนี้ตัวสั่งนี้มันจะส่งกระแสจิตมาเกาะที่ร่างกายแล้วก็มารับรู้ข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายมารับรู้เสียงกลิ่นรสไปส่งไปให้ที่ใจให้ใจรับรู้เมื่อใจรู้แล้วก็สั่งให้คิดตอบกลับมาว่าจะเอาอะไรกับรูปที่ได้เห็นถ้าชอบก็สั่งว่าไปซื้อมาเลยถ้าไม่ชอบก็ไปโยน ท, ทิ้งทิ้งถังขยะไปนี่คือผู้คิดคือคือจิตผู้รู้คือใจ แต่เป็นตัวเดียวกันเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายนามธรรมก็คือเนี่ยตัวรับรู้ความรูปเสียงกิ่นรลดเรียกว่าวิญญาณตัวที่รับรับรู้ความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกิริยลดก็เรียกว่าเวทนาตัวที่จําได้ว่ารูปเสียงกิ่นยลดมีชื่อว่าอะไรนี่ก็เรียกว่าสัญญาแล้วตัวที่สั่งให้จัดการกับรูปเสียงกิริยลดนี้ก็เรียกว่าสังขาร จะเอาไงดีจะเอาหรือจะให้อยากได้ก็ไปเอามาถ้าอยากจะให้ก็ยกไปให้เขาไป เ, าเราใช้สังขารตัวคิดปรุงแต่งข้อที่สองเคยมีคนพูดว่าเราไม่ควรสร้างบุญใหญ่เช่นเป็นประธานสร้างพระป่าสร้างกุฏิจะทําให้ตักกรรมเราเร็วขึ้นทําให้อายุสั้นจริงหรือไม่ เรื่องตายทนี่มันไม่ใช่เรื่องกลองเรื่องของการทำบุญตายตายเร็วตายชา้ามันเรื่องของทำบาสมากกว่าคือชาติก่อนในชาตินี้ทำบาปมันก็ตายเร็วลองไปฆ่าคนดูเียยัก็ถูกจับไปลงโทษสารชีวิตมันก็ตายเร็วแต่ทำบุญแล้วมีใครก็จะจับไปฆ่าหรือเปล่าไม่มีหรอกไม่คิดด้วยเหตุด้วยผลเลยคิดกันแบบงมงายใครก็พูดว่าไงก็เชื่อกันไป ใช้เหตุใช้ผลดูสิคนทําความดีมันจะตายได้ยังไงมีแต่คนทําความชั่วนี่มันจะตายง่ายกว่าคนทําความดีจากผู้ฝากถามท่านนะครับข้าพเจ้ามีความทุกข์เรื่องลูกชายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุคาที่อยากเรียนถามท่านว่าลูกชายดิฉันตายแล้วไปไหนไปเกิดหรือยังวนเวียนอยู่ในที่แห่งไหนคือ คนที่ตายไม่ใช่ลูกชายหรอกเป็นเป็นคนรับใช้ของลูกชายร่างกายนี้เป็นคนรับใช้ตัวลูกชายก็คือใจที่รู้ที่คิดเนี่ยใจที่รู้ที่คิดนี้ก็ไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำไว้ช่วงที่ตายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะพาไปสวรรค์ไปเป็นเทพไปเป็นอะไรต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงให้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง แล้วพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่้วมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ได้ร่างกายอันใหม่มีคุณ ค, คุณโออังคาเรียนมานะครับว่าเพื่อนพระอาจารย์ที่ชื่อว่าโทนี่มาลานิโอ ไอเมลานิโอโรเมโอไม่เห็นทอนิโโรเมโอไม่ไม่ใช่ครับ <h ums> เ, เป็นเพื่อนพระอาจารย์มาประมาณห้าปีแล้วเขาบอกนะครับว่าได้เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่แล้วด้วยโรคมะเร็งในสมองนะครับอก็ให้ให้เรียนพระอาจารย์ครับอสาธุหมดกรรมไป <laughs> ไปได้ร่างใหม่ไปเปลี่ยนร่างใหมย่ยังพยายามทำบุญเยอะๆจะได้ไปได้ร่างใหม่ที่ดีกว่าเก่า ถ้าทำบาปก็จะได้ร่างที่เร็วกว่าเก่าเวลากลับมาเกิดคำถามจาก a c e b o o k ไลฟ์นะครับจากคุณอุบลรักษ์นะครับการที่เราอยากไปทำบุญตักบาตแต่ไม่ได้ไปคิดเฉยๆจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะเคยได้ยินพระอาจารย์ท่านอื่นๆบอกว่าเพียงแค่คิดก็ได้บุญแล้วจริงหรือไม่ ก็ได้แต่เพี่งแต่ได้แบบเหมือนกับ น, น้ําค้างยังไม่ได้แบบฝนตกถ้าอยากจะได้ฝนตกก็ต้องไปทำเ พ, พียงแะคิดมันก็มีความสุขแล้วแต่พอมันหยุดคิดความสุขนั่นก็หายไปแต่ถ้าไปทาแล้วมันจะอยู่ในใจนานกว่าพอเราทาแล้วมันจะอิ่มเอิบใจมีความสุขใจไปนานกว่าเฉพาะมากกว่าตอนที่เราคิดเฉยๆคาถามจากคุณกมนทิพย์นะครับทาบุญ ให้เพื่อนโดยใส่ชื่อเพื่อนอย่างนี้เขาจะได้บุญไหมคะเงิน mm. เป็นเงินของหนูแต่เพื่อนอนุโมทนาบุญด้วยอย่างนี้เพื่อนจะได้บุญไหมเพื่อนไม่ได้บุญจากเงินของหนูที่หนูทาหนูเป็นคนเจ้าของเงินหนูก็ได้บุญส่วนนั้นไปแต่ถ้าเพื่อนเขาอนุโมทนายินดีเขาก็ได้บุญส่วนที่เขายินดีไปด้วยแต่เป็นคนระแบบเป็นบุญคนละชนิดกัน แต่คุณขวัญจิตนะครับวิธีพิจารณาอาหารก่อนกินอาหารทําอย่างไรคะก็พิจารณาเพื่อให้ไม่ให้เราติดกับรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารไม่ได้กินด้วยความอยากกินกินด้วยความจําเป็นกินเพื่อรักษาร่างกายเหมือนกับกินยาก็ต้องพิจารณาว่าอาหารนี่มันเวลาเข้าไปในปากแล้วมันก็ไม่น่าดูแล้วไม่น่ากินแล้วไปเคียวกับน้ำไปไปถูกเคี่ยว ทุกบดแล้วก็ผสมกับน้ําลายถ้าอยากจะดูหน้าตามันก็ลองอคายมันออกมาแล้วก็ตักเข้าไปใหม่ดูที่จะกินลงไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทําให้เราไม่ได้กินด้วยความอยากกินด้วยความจําเป็นกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้มันก็จะกินไม่มากมันก็จะกินพอประมาณพอรู้สึกอิ่มแต่ถ้ากินด้วยความอยากนี่มากอิมแล้วมันก็ยังยัดเข้าไปยัดเข้าไป จนร่างกายมันพองออกมาเนกลายเป็นตุ่มไปเนเพราะกินด้วยความอยากถ้ากินด้วยความจําเป็นกินด้วยเหตุด้วยผลด้วยการพิจารณาว่าอาหารนี้มันไม่น่าดูไม่น่ากินเลยแต่จาเป็นจะต้องกินเวลามันเข้าไปในท้องนี่มันน่าดูไหม <c oughs> วิธีที่จะกินแบบไม่ไม่อยากกินก็อ า, อาหารที่มันจะเข้าไปรวมกันในท้องนี้รวมกันในชามไว้ก่อนอาหารขาวหวานที่เราจะกินเนี่ย ใส่ไปในชามแล้วคุกก็คนมันก่อนเหมือนกับเวลาที่มันเข้าไปในกระเพาะเพราะต่อไปมันเข้าไปในกระเพาะมันก็จะต้องไปคนกันใช่ไหมมันไม่ได้ไปเรียงลําดับกันนะว่าอาหารนี่ย่อยก่อนอาหารนี่ย่อยทีหลังมันเข้าไปในท้องมันก็คุกมันไปเหมือนกับเวลาที่เขาผสังผสมซีเมนต์เห็นไหมเราใส่หินใส่ปูนใส่ทรายลงเข้าไปมันก็คุกกันไปจงข่างกายเป็นซีเมนต์ไป hết อาหารที่เราจะกินถ้าเราต้องการกินด้วยความจำเป็นไม่ได้กินด้วยความอยากเราก็ต้องคุกอาหารไว้ในชามเลยอาหารเค้าวหวานต่างๆเช่นแกงเผ็ดแกงจืดข้าวเปล่าผลไม้ขนมเคก้กพิซซ่ากาแฟถ้ามันจะเข้าไปในท้องก็ให้มันเข้าไปในชามอันนี้ก่อน แล้วเราก็คนมันเหมือนกับให้มันเหมือนตามที่มันอยู่ในท้องแล้วเราก็ตักเข้าไปกินอย่างเจ้าคุณนอก็ได้ยินข่าวท่านไหมท่านลัประทานอาหารท่านให้มันบดกันท่านอาหารเจมันท่านฐานพวกผักพวกข้าวพวกถั่วเนี่ยท่านให้เขาตำบดจนกัะทั่งเป็นเหมือนกับเป็นก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบก้อนเข้าไปเคี้ยวกินเข้าไปท่านกินด้วยกินเพื่ อ, อแบาบดกินยาเหมืนกินลูกกวาดเนี่ยะ ลูกกวดใช่ไยาที่เขาเอามาตำ ม, ม, มาทำแล้วปั้นเป็นลูกๆกลมๆแล้วกืนเข้าไปท่านกระชานอาหารแบบนั้นนั่นแ่ะฉันแบบนั้นก็ฉันแบบฉันด้วยเหตุด้วยผลฉันเพื่อเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่ไปแต่ไม่ได้ฉันด้วยความอยากฉันแบบนั้นเราจะไม่มีความอยากกินแต่ฉันเพื่อดับความหิวจริ ง, รงๆเท่านั้นเองจากผู้ฝากถามนะครับกรรมที่ไม่ได้เจตนาเช่น การนำธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธเจ้าเอาไว้ใต้รูปครูบาอาจารย์แบบนี้บาปหรือไม่ก็ไม่บาปแต่ไม่สมควรควรจะมีสติเวลาทําอะไรก็ต้องรู้จักที่ต่ําที่สูงอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีปัญญาจักคุณใจบริสุทธิ์นะครับในระหว่างที่เรานอนเราบริกรรมพุทโธพุทโธ ไปจนหลับตอนไหนไม่รู้จะถือว่าเราทําภาวนาถูกไหมครับไม่หรอกเป็นการหลับเป็นการนอนวิชายวิธีภาวนาบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องกล่อมให้ใจหลับถ้าหลับแล้วนี้ไม่เรียกว่าเป็นการภาวนาเป็นการพักผ่อนร่างกายจากคุณนิพพัฒนทานนะครับหากญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและมีโรครุมเร้าท่านมีความทุกข์และเศร้าใจ เราพอจะมีทางใดให้ท่านได้มีหนทางวางใจได้เพื่อให้วาระสุดท้ายได้มีจิตที่สงบถ้าท่านชอบฟังเทศฟังธรรมก็หาธรรมะให้ท่านฟังอยู่เรื่อยอย่งนี้ย่งนี้มีพระเครื่องพระในเครื่องเปิดฟังได้พระเครื่องพระในเครื่องอย่างนี้เครื่องเล่น m อ3พสามเนี่ยเขาใส่พระเข้าไปใส่คาสอนของครูบาอาจารย์มากม า, ายกายกองเลย ไปเปิดข้างเตียงให้ให้ด้านฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าชอบฟังถ้ามีธรรมะฟังแล้วมันก็จะทำให้จิตใจรื่นเริงจิตใจสงบจิตใจมีความสุขจิตใจก็จะไม่มาทุกไม่มากังวลกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เทศเรื่องการอดอาหารก็เหมือนกันอดอาหารก็เป็นเหมือนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายความหิว แต่ถ้าใจเราภาวนาเป็นพุโทโธเป็นทำใจให้สงบเป็ น, นใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายความหิวของร่างกายเหมือนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายเนี่ยฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไปเถิดหรือภาวนาเป็นก็ภาวนาไปใจเราอย่าไปสนใจกับร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราปล่อยมันไปเราทำอะไรไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอเขาไปก็แล้วกัน หมอเขาจะรักษาอย่างไรก็ปล่อยเขารักษาไปแต่เราต้องรักษาใจของเราหมอรักษาใจให้เราไม่ได้เราต้องรักษาใจของเราเองด้วยการฟังเทศด้วยการทำใจให้สงบแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะมีความสุขไปขณะเดียว ก, กันกับที่ร่างกายเจ็บหรือตายไปจะคุณใจบริสุทธ์นะครับคนที่ฝ่าปัจจัยไปทำบุญ กับผู้ที่เป็นสะพานบุญนําไปถวายผู้ที่นําไปถวายจะได้อนิสง์เท่ากันกับผู้มอบปัจจัยหรือไม่ครับไม่หรอกได้บุญคนละอย่างบุญที่เกิดจากการให้ทานก็คือเจ้าของเงินจะได้ไป <c oughs> บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นก็เป็นผู้ที่เอาเงินนั้นไปถวายให้อีกทีนะบุญมีอยู่สิประการทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคือการเสียสละทรัพย์ส่วนการรับใช้ผู้อื่นเอาเงินของผู้นั้นไปทําบุญให้กับเขา ไปส่งไปที่วัดเขาก็ได้บุญจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นคำถามจากคุณเมยนะครับทำไมเวลาดิฉันสวดมนต์แผ่เมตตาหรือไหว้พระในโบสถ์ชอบหาวน้ำตาไหลเป็นมานานมากจนถึงวันนี้ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันจะทำไงได้ล่ะรู้ไม่รู้มันก็ไม่มันก็ไม่รู้จะไปทาไงก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้ว่ามันทำไม ให้รู้ว่ามันมันดีหรือไม่ดีก็แล้วกันถ้าไม่ดีก็พยายามแก้ไขถ้าดีก็ทําต่อไปจากคุณณพลนะครับเคยอ่านตําราเจอมีความประมาณว่าถ้าเราคิดไม่ดีบ่อยๆให้หยิบยกทาขึ้นมาบริกรรมเช่นคิดว่าควายในใจคําว่าควายให้เอาคําว่าควายขึ้นมาบริกรรมว่าควายควายควายวายเช่นคิดเกลียดให้เอาคําว่าเกลียดขึ้นมาบริกรรม ไปเรื่อยๆจนเกิดความสงบแล้วความคิดเหล่านั้นจะหายไปถ้าใจมันยังรู้สึกชอบใจพอใจกับความคิดที่ไม่ดีนั้นก็คือยังปฏิบัติไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าการบริกรรมพุทโธถ้าเริ่มสงบขึ้นมามันยังหายไปเลยเราเราเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกเอาคำบริกรรมที่เป็นกุศลย่อมดีกว่าถือว่าความคิดนี้ผมผิดไหมครับ ก็ลองไปพิสูจน์ดูก็แล้วกันถ้าทำแล้วได้ผลดีก็ทำไปใจสงบใจเลิกคิดไม่ดีก็ทำไปคำถามแต่คุณมาอองนะครับการที่คนไปร่วมลำวงรอบโบสถ์ได้บุญไหมครับอ๋อเขาจะได้ความสนุกสนานเป็นการมาฉันทะเป็นความสุขทางโลก พอเวลาที่เขาไม่ได้ํำวงเขาก็จะเศร้าขึ้นมายังเหงาขึ้นมาแต่ถ้าคนที่ทำบุญแล้วเขาจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเวลาเขาไม่ได้ร้องไม่ได้ํำวงเขาก็จะไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกเหงาจากคุณพี่แจ้นนะครับโยมปฏิบัติธรรมตอนนี้โยมไม่ต้องท่องพุโทโธแล้วพอเริ่มนั่งจิต ก, ก็ว่างเลยแล้วโยมก็นั่งดูความว่างเปล่าในจิตใจ โดยมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ถูกไหมคะก็ถูกแต่มันยังไม่ลงถึงฐานของมันมันยังไม่สักแต่ว่ารู้มันยังไม่ตกลุมตกบอ่อมันไม่รู้สึกเบาอกเบาใจสุขใจมันไม่ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต้องให้ไปถึงตัวนั้นถึงจะถึงเป้าหมายถ้ายิงเป้าอาจจะยังอยู่รอบๆอยู่ยังไม่ได้อยู่เข้าไปตรงกลางเป้า อยู่ยังอยู่ที่ขอบนอกอยู่ที่เวลาเรายิงปืนนี่เขาจะมีเป้ามีวงกลมหลายวงวงใหญ่วงเล็กออกไปเรื่อยๆที่ได้นี่อาจจะดังไปติดอยู่ที่ขอบของวงใหญ่อยู่ยังไม่เข้าไปถึงวงเล็กที่ตรงกลางถ้าวงเล็กที่ตรงกลางนี่มันจะร้องอ๋อมันจะร้องโอ้มหัตดจัดใจวิเศษมันจะไม่ต้องถามใครว่าเป็นยังไงมันจะไม่สงสัยว่าที่พระเจ้าบอกว่า ความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นอย่างไรต้องให้มันไปถึงจุดนั้นให้ได้จะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องใช้อ า, อารมณ์ใดดึงเข้าไปเช่นคำบริกรรมพุโทโธหรือการเข้าดูลมหายใจถ้านั่งเฉยๆดูความว่างมันจะไม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีมันอาจจะสร้างภาพสร้างอะไรมาหลอกเราก็ได้ถ้าไม่มีอะไรคอยกำกับควบคุมใจแค่นั่งแบบนี้ก็น่าน่า น้อันตรายเหมือนกันเพราะเดี๋ยวเผอก็อาจจะมีอะไรผล่ขึ้นมาได้หรือถ้าไม่อันตรายก็จะไม่ก้าวหน้ามันก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นไปจากคุณปลาณีนะครับเป็นเพราะอะไรเจ้าค้าเวลานั่งสมาธิเหนือออกมากหลังเปียกซุ่มก็อันหนึ่งเป็นเรื่องคอนสรีระของร่างกายเวลาท่านั่งนี้มันจะทําให้มันร้อนร่างกายมันร้อนกว่าท่านอนเวลานอนนี่ท่านอนมันจะ ร่างกายมันจะไม่ร้อนเหมือนกับท่านั่งอันนั้นนี่ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจิตก็ได้จิตที่บางทีมันชอบอยากไปทำอะไรแล้วไม่ได้ทำถูกบังคับให้นั่งมันก็อาจจะเครียดขึ้นมาความเครียดนี้มันก็อาจจะสร้างความร้อนให้เกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็ได้จะคุณพานใหญ่นะครับศีลไม่ครบทาสมาธิได้ไหมครับคือการทาสมาธิไม่ได้ ไม่ได้อยู่ที่ศีลครบไม่ครบแล้เพราะเวลานั่งเฉยๆศีลมันครบอยู่แล้วใช่ไหมเวล า, <uno> า น, นั่งสมาธิเราไปฆ่าสัตว์หรือเปล่ปาเราไปลักทรัพย์หรือเปล่าเราไปประพฤติผิดประเวณีหรือเปล่าเราไปโกหกหลอกลงวงหรือเปล่ า, าเราไปดื่มสุราหรือเปล่าเราไม่ได้ดื่มมันก็ครบอยู่แล้วเวลานั่งสมาธิมันก็มีศีลอยู่แล้วนี่มันจะสงบไม่สงบมันไม่ได้อยู่ที่ศีลมันอยู่ที่ว่ามันมีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสติควบคุมความคิดมันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยมันก็ไม่สงบ แต่ถ้ามันมีพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็สงบยันต้องมีพุทโธหรือมีสติคอยกำกับให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวอันนี้ถ้าอยู่ดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับดิฉันเป็นสาวประเภทสองแต่ดิฉันชอบทํากรรมฐานดิฉันเคยนั่งสมาธิแล้วมีอาการตัวเย็นเหมือนน้าแข็ง มีความสุขมากๆบางทีนั่งสมาธิ1ชั่วโมงเหมือนนั่ง5นาที10นาทีแล้วบางทีนั่งสมาธิเหมือนเท้าจะระเบิดแตกออกจากกันเลยและมีท่านอาจารย์บอกว่าตัวดิฉันเป็นน้ำปุงสักกลินคืออะไรคะดิฉันไม่เข้าใจแล้วดิฉันเป็นเสาวประเภทสองจะปฏิบัติแล้วมีดวงตาเห็นทำได้ไหมคะได้เหมือนกันจิตของคนเราทุกคนเป็นจิตเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นประเภท2หรือประเภท3 มันก็เป็นจิตที่มีโลภโกรธหลงมีความฟุ้งซ่านมีความไม่สงบถ้าเราปฏิบัติแล้วทำใจให้สงบได้เราก็ได้ผลเหมือนกันจิตของคนทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนเชื้อชาติใดเป็นจีนเป็นไทยเป็นฝรั่งเป็นอะไรก็เป็นจิตเหมือนกันปฏิบัติก็ใช้ธรรมของพุทธเจ้าปฏิบัติอันเดียวกันถ้าปฏิบัติถูกต้องเป็นสุปฏิปันโนก็จะได้รับผลเหมือนกัน คำถามจากคุณจุ๋มนะครับเพื่อนยืมเงินเราไปทำบุญแต่ไม่ใช้คือเราเพื่อนจะได้บุญไหมเจ้าคะอ๋อไม่ได้หรอกเพราะเงินนี้เป็นของเราถ้าเข้ามาคืนเราเนี่ยก็ถึงจะได้บุญคำถามจากคุณมีนานะครับช่วงหลังๆรู้สึกว่าตัวเองกำลังเหยียบเรือสองแคมอยู่ค่ะ ทางธรรมก็ยังไม่มีกำลังหรือโอกาสที่จะออกไปได้และทางโลกก็ทำอะไรไม่ได้ดีสักอย่างคิดจะทุ่มเทให้งานทางโลกก็ไม่กล้าเพราะห่วงว่าเวลาปฏิบัติธรรมเราจะหายไปแต่ถ้าไปทางธรรมเต็มที่ก็กลัวไปไม่รอดหรือบางครั้งก็รู้สึกเหงาอยากมีแฟนใหม่เพราะแต่ก่อนเราเคยมีแฟนมาเรื่อยๆแต่พอจะมีคนมาแนะนาคนให้รู้จักก็กลับกลัวว่า การมีแฟนจะแย่งเวลาเราไปอีกรวมถึงความทุกข์ที่จะตามมาเพื่อนส่วนใหญ่ที่มีก็ไม่ได้ชอบมาวัดแบบเราเราเลยดูแปลกสาหรับคนอื่นทําให้รู้สึกสับสนมากค่ะอยากทราบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าในช่วงเวลาที่เรายังสู้กับตัวเองแบบนี้เราควรวางใจทําอย่างไรดีคะเพื่อให้เราเดินต่อไปได้ก็พยายามลดภารกิจ ทางโลกให้น้อยลงแล้วก็พยายามเพิ่มภารกิจทางธรรมให้มากขึ้นแบ่งเวลาให้กับการทำบุญกับการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นลดเวลาการหาความสุขหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองให้มันน้อยลงไปค่อยๆก็เรียกได้ค่อยๆปรับไปจะทำแบบที่แบบหวบผ้ามันอาจจะไม่มีกำลังพอก็ต้องค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆลดไป ลดทางด้านทางโลกแล้วก็เพิ่มทางธรรมขึ้นไปเอาเวลาที่ไปใช้กับทางโลกมาใช้กับทางธรรมแล้วต่อไปเราก็จะเพิ่มทางธรรมได้มากขึ้นไปตามลาดับแล้วทางโลกก็จะน้อยลงไปตามลาดับพอถึงเวลาหนึ่งเราก็รู้ว่าเราไปบวชได้เราไปอยู่วัดได้จากคุณนพลนะครับการใช้โทสะความโกรธแก้ความหลงหลงในสมาธิถูกต้องไหมครับ เรไม่ถูกหรโทรศัมันเป็นตัวที่ทําให้ไม่มไม่มีสมาธิอยู่แล้วไปใช้โทรศัพไม่ได้ต้องใช้สติใช้ปัญญาถ้าเป็นความหลงก็ต้องใช้ปัญญาเช่นหลงติดอยู่กับความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าเป็นความทุกข์เพราะว่าเสพเสพกามแล้วเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์มันเป็นเหมือนยาเสพติดสู้เลิกเสพดีกว่าแล้วพยา ม, มาหัด จะเรียนสติเราควบคุมใจให้สงบไปครทางทีมงานแจ้งมาว่ามีประเทศเพิ่มขึ้นใมาอีกประเทศคือสกอตแลนด์เป็นประเทศที่ยี่สิบ้าที่มีผู้ฟังทําผ่านเฟซบุ o กครับ<อ>คำถามหมดครับรอาจานยมีการอยากจะถามไหมจากคุณกระจองศักดิ์นะครับหน้าที่ของคนเป็นที่มีต่อคนตายแล้วมีอะไรบ้างครับ คนตายคนเป็นก็ต้องเอาเอาคนตายไปฝังหรือไปเผาไปกำจัดเสียเพราะถ้าปล่อยต้องไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งม่ก็ไปดองอไปบางคนก็เอาครูบาอาจารย์ไปดองในตู้แก้วอัไ น, นก็เรืก็แล้วแต่วิธีหายก็มีหายก็มีนะขโมยศพขโมยศพคุณวิยาถามว่าข้าพเจ้าไม่อยากได้นิพพานแต่อยากได้อิทลิต อ่าอธิบายก็ได้แต่ที่เลสนี่ก็ยังต้องทุกอย่างนะ <g ul> เพราะที่เลสนี่ฆ่ากิเลสไม่ได้นะที่เลสก็ยังถูกกิเลส <g ul> ทําให้โลภทําให้โกรธทาให้หลงทําให้ทุกข์ได้อยู่แต่ถ้าได้นิพพานแล้วก็จะฆ่ากิเลส ต, ตัณหาได้หมดจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ามีที่เลสก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเรื่อยๆคุณอนันต์นะครับถามว่า เรามีสมาธิแต่ยังไม่ถึงอัปนาสมาธิเมื่อออกจากสมาธิเราสามารถพิจารณาเกษาโลมาได้ไหมคะหรือต้องรออัปนาก็แล้วแต่พิจารณาก็ได้แต่ถ้าพิจารณาแล้วไม่ทำให้จิตเข้าสู่สมาธิที่ลึกกว่านี้ได้ก็อย่าพึ่งไปพิจารณาดีกว่าสู้คอยใช้สติคอยควบคุมใจไม่คิดจะดีกว่าให้จิตให้ใจสักแต่ว่ารู้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธอยู่กับ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปอยากคิดปรุงแต่งปัญญานี้มันต้องปรุงแต่งด้วยความคิดแล้วถ้าปรุงแต่งไปมันก็จะสงบยากยานั้นต้องหัดหยุดความคิดให้ได้ก่อนจะดีกว่าให้มันเข้าไปรวมสู่จุดที่ไม่มีความคิดเลยสั่งแต่ว่ารู้อัปปนาสมาธิพอเราเข้าถึงจุดนั่นได้แล้วต่อไปเราต้องการจะหยุดความคิดเมื่อไหร่เราก็หยุดได้ เวลาเราจะพิจารณาปัญญามากน้อยเพียงใดก็ตามถ้ารู้สึกฟุ้งรู้สึกเหนื่อยเราก็หยุดได้แต่ถ้าเรายังเข้าเข้าไปในจุดนั้นไม่ได้เวลาไปทางปัญญาบางทีมันก็หยุดไม่ได้มันก็ฟุ้งได้แทนที่จะเป็นปัญญามันก็อาจจะกลายเป็นความฟุ้งขึ้นมาก็ได้เง้ยถ้าถ้าเป็นไปได้ควรที่จะฝึกสติต่อไปจะดีกว่าให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญา เพราะเมืนอไไปทางปัญญาก็ใช้ปัญญาไม่ได้ปัญญาบอกไม่ให้อยากแก่อยากเจ็บอยากตายมันก็จักอยากอยากไม่แก่อยางไม่เจ็บอยากไม่ตายบอกให้มันหยุดมันก็หยุดไม่ได้เพราะจิตไม่มีกําลังที่จะหยุดมันอีกข้อนึงก็แล้วกันหมดเลยอีกข้อนึงก็พอแล้วครับอาจารย์จะคุณกิตดานะครับผู้ที่ได้ไปเกิดบนสวรรค์เมื่อยังไม่หมดบุญหรืออายุไขที่จะต้องไปเกิด บนสวัสดิ์แล้วจะสามารถจุติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กี่ระยะเวลาที่กำหนดได้หรือไม่คือเวลาที่กำหนดก็คืออยู่ที่เรื่องบุญกำลังของบุญถ้าเวลาตายไปมันก็ไม่สามารถอยู่ในใช้ร่างกายได้จิตก็ต้องไปรับผลบุญถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปแต่พอผลบุญที่เราได้รับนั้นมันมีมนุษย์ลงมาเท่ากับบาปเมื่อไหร่